ต้อ <c oughs> งทำกันตามการตามเวลาผ่นเคินล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่หัวเผือกของมันอยู่ในดิน <c oughs> หัวมันก็โตขึ้น ก้ากรอยู่ในนาในน้ำก็เจริญต้องงามเดี๋ยวนด้กำลังเกิดดอกออกผลกายของเราใจของเร า, เ, ราเมื่อสติอยู่ยในใกายในใจก็เป็นดอกเป็นผลถ้ามีความหลงอยู่ในกายในใจก็เป็นพิษเป็นโทษ เราจึงต้องรับผิดชอบตัวเองให้มีสติปลูกลงไปให้การควางศอกจอาวางหาเคลืบอที่ให้มีสัญญาและจิตใจรู้อะไรได้เอ า, าเอาสภาพไว้ที่รู้เป็นเจ้าบ้านเจ้าหลักถ้าไม่เช่นนั้นมาจะหลง อะไรที่เราดูแลรักษาก็ใช้ได้บ้านเรือนเราเครื่องไม้เครื่องมือ <c oughs> ถ้าเรารักษาก็ใช้ได้ทุงที่เจ็บไม้หายรู้ดูก็งามตารายใจของเราก็มีที่อยู่มีระเบียบตะให้กระชุยกระจาย หัดเจ็บเป็นกายถ้าไม่ดูแลมันเขาก็ชุยกระจายเรื่องว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นผิดเป็นภัยเป็นวกเป็นชาติได้แต่มันจัเป็นไปเรื่องของกายก็ไปกันไกลลือเกิน อร่างของจิตใจก็ไปไกลบางทีมันไม่กลับก็เป็นประสาทไปเลยปล่อยปะแล้วเลยตัวเองมันเป็นทุกข์เป็นโทษเราจงมาทำวิชาให้มันได้ที่ได้ทางเหมือนชะลาหัวใจปักลงไปตรงนี้ ก็เป็นแผนที่ปักลงไปแล้ว้าพูดจะขอใจไปที่ไหนจิตผู้หญิงอยู่ที่ใดก็ไปถูกตีหนึ่งสองสามอยู่ที่ไหนไปถูกเพราะมันมีแผนที่ ในชีวิตของเรานี่ไปถูกจะมีอะไรที่มันมีผิดก็ ม, มีถูกตรงนั้นด้วยมีศีลเจ้าบ้านเจ้าเรือนมีสมาธิเป็นความหนักแน่นไม่อ่อนแน่นคอนเทนไม่หวานไหวมันเป็นที่ของที่อยู่ของสิ่งต่างๆถูกต้องแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ความหลงมันไม่ถูกต้องความรู้มันถูกต้องกว่าความหลงมันใช่ไม่ได้ความทุกข์ก็ไม่ถูกต้องก็มไม่ทุกถูกต้องกว่าบันได้ที่ขนาดนั่นน่ะถ้าไม่เช่นนั้นก็ช่วยกระจายไปหลายอย่างหลายเรื่องเหมือนคนมีความรู้ เอาให้น้อยๆไม่ต้องมากมีปากกาด้านเดียวเน็บกระโป๋ไปหาทางานได้รอบโลกจาคนไม่มีความโลภเพราะหลงพลังไปทางไหนแทนที่จะมีมือห้านิ้วชิบเนีวไม่พอมีอะไรอีก พลงไปด้วยพลังไปด้ว ย, วยนี่โหดีมีสิ่งเสพติดมีอะไรที่มันไปข้องไปติดมามาเขาไปด้วยวุ่ดีเขาไปด้วยความโกรธความโล่งไปหลงไปด้วยความรักความชังไปด้วยมาถึงสุกโตยังเอาความรักความชังมาเอาความเสียใจดีใจมาด้วย ตังนานมาแล้วบางทีก็มาลงให้ที่นี่เคยลองให้มาสามปีแล้วยังมาลงให้ที่นี่พระลงพระลักษมณ์นถ้ามีปัญญาละมันใส่กระเป๋าพับใส่กระเป๋าชีวิตเราที่เป็นของที่พับใส่กระเป๋าได้เหมือน erm นก <found of life. S 2> มีปีกบินไปไหนก็ได้ชีวิตของเราเมื่อฝึกหัดดีๆมันไม่ปีกเหมือนนกได้ต้องที่จะบินไปไหนก็ได้ในโลกเนี้ยนันก็คืออันเดียวกันในโลกชีวิตของมนุษย์ของคนเราอันเดียวกัน สิ่งที่ถูกก็เข้ากันได้สิ่งที่ผิดก็เข้ากันไม่ได้นั่นเป็นสากนอยู่เขาไปกันแล้วเหมือนนกทุกวันนี้เรายังไม่พระหลงพลังกันเจียเวลาแล้วรีบต่วนชหนอการรีบต่วนของศึกษาเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่การเวลากินเวลาเลยโต ว, วันโตเขินขึ้นมีสติสมชัญญชามันมีสูตรอยู่ทำตรงนี้มันเกิดจากนี้ถ้าไม่ทำตรงนี้มันไม่เกิดถ้าจะปลูกตน้นไม้ก็ปลูกตรงนี้ ตกผักไปกินเดินจากศาลาหัวใจไปที่ฉันมีผักติ้วสองข้างทางเดินมาจากทางทิศใต้มีผักติ้วอะไรอะไรหลยยัง ต, งตางก็เดินไปจากที่นี่ทุกวันก็เจ็บพิกไปวันละเมตรสองเมตร มันมันมีในแผ่นดินนี้าทาให้เราสะดวกสติทําให้เราสะดวกอะไรที่มันสะดวกเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจมันมีแล้วอะไรที่ทำให้ไว้สะดวกมันจะออกแล้วมาไม่ได้ในจิตทิร้อยเบอร์เชญ ผมหลงไม่มีสิทธิจะมาอยู่กับเรารวมทุกข์ไมมีสิทธิจะมาอยู่กับเราได้เพราะทะหลง อ, อกแล้วใช่ได้แล้วมันรเละบ้านน้ำที่ในชื่อเฉียงในประเทศไทยแต่ก่อนก็เป็นหีนภูเขาเดี๋ยวนี้เขาตะหลงออกมาเป็นแร่เหล็ก ทำเป็นมีดมีดหน้ามแพร่ฝนน้าแพร่ตาผ่านไปตั้งอุตรดิต์อดที่จะชื่อมีดมาใช่ไม่ได้แต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็วางแล้วไม่มีมีดแล้วถ้าก่อนมันใช้อยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วมันมันมมีอะไรที่ใช่ แต่ความก็มีความรักใช่ความรักก็สำเร็จบางอย่างรักลูกรักเมียขยันหมั่นเพียรกลัวว่าจะอดจากสู้เสือทุกท่าป่าหาบมือหิว้วอยู่อยู่เฉยไปละอยู่นี่ให้มีคนที่มีลูกก็คิดชีวิตแบบคนไม่ลูก คนมีเมียก็ ค, ค, บบ ค, ย ค, ค, คิดแบบคนไม่ีเมียคนมีหัวก็ ค, คิดแบบคนมีสามีคนมีทรัพย์กขคิดแบบคนมีทรัพย์คนจนเข ค, คิดแบบคนจนไม่มีอะไรแต่ไม่ต้องคิดอะไรมีเป็นเป็นถูกเพราะบันทานมาเราจึงต้องหัดตัวเอง ให้มันเป็นระเบียบสะกายก็เป็นระเบียบจักว่ากายไม่ชัดชัดบุคคลตัวตนเราเขาแค่นั้นไม่ยากถ้ากายไม่มีระเบียบเป็นตัวเป็นตนเป็นภพเป็นชาติเป็นเปรเป็นจุลกายเป็นสัตว์กเป็นนนรชาตเป็นคนจนเป็นคนมยเป็นคนอยากไายฉนใจทุกข์ทุกข์ ที่สุดคือทุกมีไหมเคยทุกข์เพราะกายปีไว้หิวข้าวเป็นทุกข์เหรอเจ็บปวดเป็นทุกข์เหรอมีไม่เป็นหิวข้าวเป็นเป็นทุกข์ได้ความทุกข์ไม่เป็นทุกข์ ด, เด้เอาความทุกข์คามเป็นทุกข์ไปทำใหม่มีประโยชน์อะไรน่าเสียดายตรงนี้บ้าง แทนที่ยวางง่ายๆก็เอาไว้ให้เก็บปวดตัวเองพอเพราะอะไรเพราะไม่รู้แจ้งในทุกไม่รู้แจ้งในเหตุที่เกิดทุก์ในข้างขาเป็นการบ้านรับใช้ถ้าเจอได้ถ้าจะได้ตรงเนี้ย เป็นโอกาสดีนาทีทองแต่เอามาเป็นขววงชั่วลาย <c oughs> ในพลาดแต่แล้วพลาดไปอีกมมาดูข้างจริงน่โอ้ยก็ตือตือลนแต่ที่เห็นความทุกข์จะเศร้าโศกเห็นความทุกข์มันเป็นความสุดชื่นอันประเสริฐจะได้หลบปลีกจะได้วาง จะได้ไม่เกี่ยวข้องเห้นเราเห็นงูจงอางทีแล้วจะได้ไม่ต้องเข้าไปใกล้มันมันเห็นเป็นเรื่องหลุดพ้นขณะที่เห็นเห็นทุกข์ก็หลุดพ้นขณะที่มีทุกข์เห็นความโกรธก็หลุดพ้นขณะที่มีความโกรธมาเท่าฉร่พ้นเท่านั้นเพื่อความหลุดพ้นตรงนี้เป็นจุดหมายปลาทาง ศาสนาของพระสัมมาสพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อลาบสักรละสเสียงเฉิญเยินยอ่อไม่ใช่หมู่มิตรเพื่อพ้องวัิวารไม่ใช่เจ้าฤทธิเป็นการอด้นวิมุตตุดทนเป็นจุดหมายปลายทางของการมีพระศาสนาพุทธศาสนาเราพ้นอะไรได้บ้างอะไรที่มันมีแล้วมีอีก ยังมีการว่านอยู่ค้นอะไรได้บ้างจ า, ากน้อยก็พ้นจากความหลงมาเป็นความู้มันก็ไม่ยากจึงให้มันจบซะจบซะวางซะไม่ทำบาปทำกรรมอีกต่อไปปัดนด้ันจะไม่พอง ร้อยชีวิตที่เราต้องดูแลช่วยเหลือกันได้บอกให้ได้บอกมันเป็นความสุขบอกความเท็จเป็นความสุขบอกความจริงมันเป็นความสุขมันชัดเจนไม่ปกพ้องชีวิตของเราถ้าไม่บอกความเท็จความจริงแก่เพื่อนแก่คน มันก็ผิดพลาดไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่น่ามีอะไรชื่นใจแม่สดฉานแล้วก็ลูกจากบอกไก่สอนลูกกุ้ยเขีย ลูกมันก็ออกไปมาคุยเขี่ยเป็นเหมือนแม่ถ้าไก่บางประเภทไม่รู้จักคุยเขี่ยหาจินมันก็มีเหล่าแมงกเช่นไก่ฟามโตคอยจินแต่กับคนหาจินเองไม่เป็นเดืนอยู่ในฟามล่องโช๊กแค้โช๊กแค่ก็รู้จักไปหาจิตใจ้องหาจิต คนเขี่ยมาให้ปล่อยออกไปเขาคุยเขียยไ่เป็นมิ่งตามคนเป็นผงๆโอ้ ม, มนหษยมาแบบ น, นลแล้วตะกายอิฉลาแล้วก็ยังไม่มีคนไม่เป็ยก็เขี่ยกินเลยเป็นหนละักที่ทอะไรเขาสอนทำให้เขาทำให้ดูไม่มีคำพูดอาจจะมีคำพูดไม่รู้ แม่มันขึ้นต้นไม้ข้างสลากไก่ลูกไก่ตัวเล็กๆขึ้นไม่ได้บินก็บินไม่ได้มันก็มีแผนแม่ก็บินลงมาหาลูกอีกก็กระโดดไปเอาไม่ไม่บินสูงบินลัดกันไป บินไปขึ้นต้นเตี้ยวต่ำๆแล้วก็ไต่ไปงออยู่นั้นรูปมันเห็นแม่บินไปเท่านั้นแล้วก็ไปตามที่อื่นแทนที่มันอยู่ตรงโน้นมันไปขึ้นตรงโน้นค่อยๆไต่มาไต่มาจนถึงอกของแม่มันนี่ก็สอนอาชาสัตอะไรที่ เรียกร้องไม่ใช่ต้องทําบ้างควมทุกข์มัวเต่ถามไม่รู้จักเปลี่ยนความโกรธอารมณ์ต่างๆเอาไปอ้างกันผมมีจิเลสหานะผมมีนิสัยแบบนี้ไม่ชอบนิสัยแบบนั้นเอาของอย่างนั้นไปอ้างกันน่าอาตหักใเอานิสัยจากผู้เจ้า นั่งยังปันเตนิสยังญาจามิถ้าว่าหลายคนเญาจามะถ้าว่าคนเดียวยาจามิใช่ไหมนะถ้าว่าคนเดียวอาหารปันเตนิชสียงยาจามิถ้าว่าหลายคนมะยังปันเตนิดสยังญาจามะมา้องกัน ข้าพเจ้าขอนี้ใยจากพระเจ้านี้ใยพระเจ้าก็เลยรจิตขาเลยทำจิกขาก็เลยศึกษาให้มันถลุงย่อยออกอะไรให้มันถลุงกายญานุปฌาถลุงออกไม่เป็นตุ่นตะก้อนเห็นแต่ว่ากายสวะกายไปเจอแล้วแต่ความเป็นตัวเป็นตนความร้อนความหนาวความหิวออกมาเป็นตัวเป็นตน เมื่อทะลุแล้วไม่ใช่แล้วเป็นธรรมชาติเป็นอาการนิดๆหน่อยๆถ้าเป็นตัวเป็นตเนตเรื่องใหญ่ถ้าเป็นอาการธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยได้ประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษมาเป็นคนขอบคุณที่มันโยกัดปั่นเจ็บถ้ามันไม่เก็บไม่รู้จักช่วยตัวเอง ขอบคุณที่บันหิวจะได้ทานอาหารถ้าไม่หิวเป็นทุตเป็นไพ่ต่อกายมันร้อนมันหนาวขอบคุณแต่ก่อนเป็นทุกสิ่งที่เป็นทุกมาเป็นคุณประโยชน์นั่นเป็นไปอย่างนั้นถ้าศึกษาเนา ก้อนหินมาถลุงย่อยออกเปเนือเ้อเหล็ดดินอะไรต่างๆในแม่น้ำาของอินจายในหาดโขงไปล้นเอาไร้ทองคำการล้นเอาไปล่างน้ำดินก็ทนน้ำไม่ได้ก็ลายไปทองมันไม่ ออกมันก็ไม่หลดไปไหนก็เป็นทองอยู่ของจริงแล้วเป็นของจริงของไม่จริงก็ย่อมทนต่อการไปสูน์มาดาความหลงไม่จริงอ่ะความไม่หลงมันจริงความโกรธไม่ Colombia จริงความไม่โกรธมันจริงได้ได้เนื้อใช่ได้ความหลงไม่ใช่ไม่ได้ความไม่หลงไม่ใช่ได้ ความทุกข์มันใชาไม่ได้ก็มไม่ทุกข์บัรเทาได้มันจึงถลุงโรสยิกขาได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากความหลงได้ประโยชน์จากความทุกข์เอาเป็นมรรคผลนิพพานแต่บางคนไม่ศึกษาก็เอาอมาเป็นโทษ คนที่เป็นทุกข์เป็นโทษเพราะพาด ต, ตรงไหนพาดควาไม่เที่ยงเป็นทุกข์พาดความมันทุกข์เอาเป็นทุกข์พาดควาไม่ใช่ตนเอาเป็นทุกข์แต่ผู้ศึกษาแล้วเอามาเป็นมรรคผลนิพพานมาเป็นมรรคผลนิพพานไม่ไกลกันเลยงามยอ ก, ก็ดำบง่งเหตุมันอยู่ที่ใดผลมัอยู่ที่นั้น เหตุเปนดีผลก็ดีเหตุไปดีผลก็ไปดีถ้าหลงก็ม่ผลเป็นความหลงเลยไป <c oughs> โดยจึงสามารถทําได้ทําได้ทําไดมา้มีกายประเสริฐมีจิตใจประเสริฐแี่ว่ามนุษย์คือเป็นสัตว์ประเสริฐเปลี่ยนร่างเป็นดีได้ <c oughs> เปลี่ยนความง่เป็นความฉลาดเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาเร า, าศึกษากันไม่นัดม่ยะกไม่ใช่เดินไม่รู้จากพักผ่อนได้พักได้ยืเดินล่างนอนได้ที่บทนอนก็ทำให้คนได้ประลุธรรมเช่นพระอานุน ใช่ไหมอดีบวดนั่งตั้งแต่ยามค่ำจนแสงเงินแสงทองขึ้นยังไม่บรรลุธรรมเลยอาอนนท์ขอเอ็นชักหน่อยไม่ได้นอนเลยขอเอ็นลงนิดหน่อยยังไม่หัวไม่ถึงหมอนเลยบรรลุธรรมจะแล้ววางว่า ง, างไม่ไม่รีดมันบรรลุธรรมค่ะที่วาง วางไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้วางวางไม่ใช่วางโทษทิ้งนะปล่อยวางไม่ใช่ทิ้งวา้างค้าว่าให้วางวางไว้วางไ้หมายถึงใจปล่อยไหมายถึงมือล่อยไม่ได้ เรามีพ่อมีแม่อย่าไปวางพ่อแม่ทิ้งดูเลยวางใจวางนานออกชิ้นเขาจ้างเพื่อนรีดบังคับให้เวลาคืนเดียวเหมือนคนมีปัญญา ให้หมอบงานให้ทอมครูมอบการบ้านให้นักเรียนครู <c oughs> มอบการบ้านให้นักเรียนนักเรียนไม่เข้าใจด้วยว่าครูบังคับไม่ใช่ให้มัน เข้มแข็งคามขี้เกียจกายเป็นความขยันบางทีการบ้านไม่ใช่เขียนหนังสือหาส่วนประกอบหาส่วนประกอบหาแสงไฟหาวัตถุประกอบมาประกอบบางอย่างการบ้านต้องเป็นทั้งรูปประธรรมทั้งนามธรรมา อันเรานี่ไม่ใช่การบ้านขรดานนั้นง่ายๆมีภาวะที่รูปมีภาวะที่หลงเป็นการพลาดของเราเองไม่มีใครมอไปไม่มีใครบังคับบางอย่างก็วางบางอย่างก็จริงจังทันที มันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกหยาบบางตรงนี้เอ้ยหลงก็ได้ไม่เป็นไรทมไปแทำไปโอ้มันคิดรักอารมณ์รักข้ามาปล่อยให้อารมณ์รักครอบกลามไปเออเอาใหม่ใจเราสร้างสีเอาใหม่ปล่อยเพียหน่อยปล่อยไปให้อารมณ์รักอารมณ์โกรธปล่อใจกับมารมที่เคยสัมผัสมา คุณคิดบางทีอารมณ์เป็นเมถุนสังโยกเป็นอบัตประชีกได้ไม่ใช่เร่องเล็กน้อยิคาได้ทำมันต้องอบัตหนักแต่ไม่ใช่ศีลสังคมศีลชิขาเนี่ยมันมีอบัตอบัตตกต้องอบัต ด, ด้วยความคิดใน พิสูจน์คุณคิดในลมที่คุณคิดคิดถึงการเก่ากลับมาตุกคามคิดถึงเพศมาตุคามคิดถึงหยอกล้อกันคิดถึงมองหน้ากันเฮิ่มไปนั่นว่าจิตของเธอเศ้ามองแล้วไอถทุนจังโย่จังโย่ชื่อว่าศินของเธอทะลุแล้วด่างแล้วพคอยแล้ว ไม่ใช่สำนก็อ้างตนว่าเป็นสำนาไม่ใช่ผู้พืชผอมจันย์อ้างตนว่าเป็นผู้ผพืชผอมจันท์เป็นคนเน่าในเปียกแขะเหมือนบอ่อที่เทขยะบนฝอยปกปิดนเลนตอกหลวงเขางูเพื่อนคูดหมาขี้เลื่อน <laughs> พ้าพระเจ้าด่า้ะนั่น น, นี่จะไปปล่อยชะมวนเอาไว้ พ่อหมอจันทร์พ่อหมอจันท์สงวนความบริสุทธิ์เหมือนหญิงสาวสงวนควางมงามความสาดอยู่เสมอชายหนุ่มหญิงสาวพ่อหมอจันท์ก็รักษาให้มันบริสุทธิ์เอาไว้จิคานได้ทำไปอย่างไี้นะว่ใช่ศชิญสังคมปิจิญก็ไปขอเชิญบางทีก็มีพิธี ขอเขียนที่ผิดทีละตัวทําไมเขียนเขนเจอผิดทีละตัวเอาไว้สี่ข้อเดิมเล่าจากก่อนเถอะไอ้ไม่เอาข้อเนี้บางคนก็มีอย่างนั้นนะเพราะสุลาเวลยะมาจับประมาตฐานาเวลาวันนี้ข้อนี้ไม่เอาหรอกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ผิดฉินเพราะมีพิธีพิธีว่าไงสมาทานฉินไม่ผิดฉินทั้งหมด ไดไหมว่าอย่างไง่าจังแันเตติชนีนัสหาปัญจศิลัยย า, าจามะผิดทีละข้อเม่อยอมว่ามา่ังแันเตวีชงว่ามย่ังแันเตติเนีนัสหาปัญจศิลายาจามะผิด เขาไม่ว่าคำนี้เลยทุกวันกล่ว่ามายังเันเตวิสุงวิสงวุสงลักขณาถายะเพื่อให้ผิดข้อเดียวฟังดูยาโจมสมาธิทุกวันนี้มีแต่วิสุงวิสงาาาุงลักขณาถายะอ้อยผิดข้อเดียวเอาไว้จุลาเอาไว้ฆ่าสัตว์เอาไวา้เวสพกามที่ไม่มีขอบเขต ไม่รักษาลูกรักษาเบียร์ผัวเดียวเป็นเดียวไม่เจียวหวังก็จะให้ผิดข้อเดียวมีบ้านนอกบ้านในนั่นเพราะอะไรคนไม่กลา้าวิชุงวิชุงเรนะาขนาดถอยคือคนไม่กลา้าลวงตาไม่เคยบอกสินงเราทุกคนนะเพราะมันหลอ ก, ลอกตัวหลา อ, อ๋อมีเขาถามครับถาม ถามกันเนี่ยักเทศนะทาไมจึงจะผิดชินข้อเดียวต้องว่าวิสุงวิสุงจึงจะผิดข้อเดียวคนก็เลยจําเอาเลยว่าวิสงวิสุงทั่วบ้านทั่วอันทวมถูกต้องมันติรัตติชนเลนสหปัญจฉิายาจามาอย่างศินสิบเนี่ยไม่ว่าวิสุงนะ วาไม่ได้เด็ดขาดใครไปขืนว่าวิชุงพยังปเทวีชุงวิชุงลักนาทายะอัถฐศิลานาจามะทัสะศิลานาจามะไม่มีเลยตัดออกเลยตัวเนี้ยพยังปเทชนะศีลังยาจามะชนะศีลังก็เลยสัตตะคือพตตระตะตก็เลยจิตแปดพยังพปเทวิชุงวิชุงไม่ได้นะไม่ขี้นะจิต ม่าอย่างประเตอัตถะไปเลยว่าอย่างประเตอัตถะศิลาญาจามะแต่ไปว่าม่าอย่างประเตีวปิชุงปิชุงลักษณะใช้อัตถะชิลาญาจะบ้าแล้วไม่ได้หรอกงูที่สุดหรอกอย่าไปว่าให้ใครได้เห็นเลยถ้าใครว่าบอกเลยทันทีคิดออกไปแล้วไม่เราบ่บอง ตอนนั้นเนี <c> ่ย <oughs> สอนกันผิดผิดพระนักเทศไม่ใช่อย่างนั้นเพื่ออะไรรักษา่างเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความสงบโปรเจกต์ไทยมีสิทก็อยู่กันด้วยความร่มเยน็นผัวเดียวมีเดียวไ ม, ม่เปลี่ยนการหัดจานุนตาประโยูกับมหายาณ ปีหนึ่งรับสินทีเด็กที่ว่ามหาสินในวันเพ็ญเดง12สิบสองเนี่อาจจะเป็นช่วงนี้วันไหว้พระจันทร์อะไรต่างๆรับสินพังรับปีละครจะมากันเต็มไปเลยพวกเรายรับวาดสินขาดบ่อยรับทุกวัน เดี๋ยวก็รับชินทำไมมันงู้ขนาดนั้นสินทำไมขาดไปบ่อยมันร่มเหลวขนาดนั้นเลยน่าอายนะที่คิดตูดเสเมว่าร่มเหลวอาแต่นั้นคิดไมาได้จิตขาได้ทำเป็นครื่องคิดของภิกษุทั้งหลายระวังความคิดอย่าไปปล่อยอย่าไปโ ย, โย่โหย่น ปอยให้เป็นอารมณ์รักอารมณ์ไข่อารมณ์โกรธพอใจเสียใจไม่ได้พอเริ่มต้นก็บอกว่ากายานุปจนาสติปัฏฐานเห็นกายชมวกายไม่ไม่พอใจไม่ความพอใจและค ว, วามว่าพอใจเกิดขึ้นถอนความพอใจและค ว, วามว่พอใจออกเสียได้อ่านะ สติปฐานสติสิสนฉิขาเพื่อถลุงเพื่อเป็นพระเราจะเป็นผีอยู่กันหลืถลุงไม่ได้เลยถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เนี่ยถลุงมันเลยเป็นศินฉิขาศินบริสุทธิ์ฉินไปมากไปผล อายังมีความพอใจแล้วความไม่พอใจอยู่มันไม่ถึงมรรคถึงผลมีสติเท่านั้นที่เห็นเดัองนีมีสติแล้วตั้งอยูอ่นี่วิธีที่เราพึกหัดให้มีสตไม่ใช่ขอแลว้วมันยอดเยี่ยมมากหลักปฏิบัติอยู่ในวิทั้งบดลอยสติปัฏฐานิกายาลุปัจลานะี่ เนาจิตเนี่ยหลักสูตรอยู่นี่แยกตรงนี้ไข้เคลื่อแกตรงนี้เปิดตรงนี้ไม่ได้อดหลาดไปเลยเป็นรูปทํานามทาเห็นทุกข์เห็นอะไรต่างๆไปตะพุทธเปืบปลุกแหลกกัเลยปลย่ะเดีก็ช่วยกระจายไปเลยถ้ามันมีกําลังตรงนี้มันชนแหลกไปเลยนะ ทุกตามทุกลูกสมมติฉันหยัดปรามาจอัฏฐะไปเลยวนะนี่ยเหมือนเขาเล่นอะไะโยนไปนะี่ยเขาตั้งอะไรมาไปโยนลูกบอลหรืออะไรหรืไปโดนชุบล้มหรือนี้ะระดับอะไรสัมผัสอันเดียวระ ล, ลมไปน ะ, ะเก็เล่นล <laughs> อะไรเห็นในทีเดีก็นะ เออเนี่ยเนี่ยสติปัฏฐานไปอย่างนี้แล้วนะริ่งไปก็ต้องกบฏชนแบบร่มไปเลยชนะแล้วคิดตังไม่ิตังไม่ิตังไม่คือชนะแล้วเขาเล่นกีฬาเขาชนะแล้วงี้เกตงี้เทบมันไปได้มันไปได้ไ ป, ไ ป, ไป โรคทำนามทำโรคโรคนามโรคพุทธพ้นนามสมงศปัญญะวัตถุอาการต่างๆรูปบุญโอบุญเปยงนี้โอบาปเป็นนี้รู้ศาสนาเป็นนี้พระพุทธเจ้าพัดพุทธพระธรรมพระสงเป็นอย่างนี้จบอารมณ์ตั้งต้นห่อตัวปากกาเน็บกระเป๋าไปอันใดที่ว่าเรื่องศาสนาเรื่องบุญเนี่ย ไม่ต้องเว้ยก็ให้เป็นประโยชน์ของโชกแก่ข้าพเจ้าตลอดเพื่อให้ถึงบรกผพนิปันอนาคตการเบื้องหน้าน้นเถอะมันไกลเกินไปมันโน้นไม่ไม่ต้องว่าโน่นเบื้องหน้าดีเถิเดนะเนี่ยพอแล้วนะเนี่ยกัน โน้มันขี้ไปโดนฉุดแผ่นดินตนไม่รู้ว่าปีาดดปาาไหนชาติใดจะถึงปาณาจนาจึงใดไม่ได้จึงนั้นก็เป็นทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์เป็นโน้บางทีเรามีบ้างไหมเป็นทุกข์เพราะปาณถนาความไม่สบายกายความไม่เจริญใจใจก็เป็นทุกข์ ความพัดภาคเจ้าของล้อของชอบใจของกันทุกข์ความแยแสใจก็เป็นทุกขก์มีเท่านี้ว่าตัวย่อมไม่อยู่ที่ไห น, นใช่ไหมว่าอยู่ที่กายที่ใจของเรานะี่ยเพราะว่าเปลี่ยนจะไม่ได้เลยก <c oughs> ารพัดภาคเจ้าของล้อของชอบใจไม่เป็นทุกข์ทำไมจะให้เป็นทุกข์เนะ ไม่เป็นทุกข์ไม่ได้เลยถ้าใครไม่เปลี่ยนตรงนี้มันไปถึงไหนหรอมันได้ไปไหนเลยมันก็มีกายมีใจอยู่เนี่ยเอเจะไขคุณเจรุดไปซะให้มันเห็นแล้วรู้แล้วความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วความไม่เที่ยงก็รู้แล้วไม่มีอะไรมีเท่านี้ลระเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ ไม่เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็วงเล็บมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นต้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปมันก็ลัดมือเดียวมันน่าจะให้เป็นการบ้านไปยาวจนตายไปไม่ใช่อย่างนั้นเอาเถอะพวกเราจง เปลี่ยนมันหลงเป็นลูกไปมันทุกข์เป็นลูกไปมันโกรธเป็นลูกไปแม้มีเท่าไรก็เป็นลูกไปได้ประโยชน์นะนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมต้องควรเจเวลากราบพระพร้อมกัน